คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมเย็นกะมลชนทั่วแคว้นแดนสยามยินพระยศลือนามเลิศล่ายนพระพักจัดงามหรือเรื่องย่งยิ่งพระขวัญฟ้าร่มกล้าวชาวไทย อัญเชิญไตรรัตเอื้ออภิบาลพระเอยสามมิถุนาอุดมวานสวัสดท้วนปวงเทพสาธุการถวายพระผ่อนเฮยถวยราชปราโมตร้วนนอบน้อมบังคมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บุรี นายโสพลสาธรสัมฤทธิ์ผลประพันธ์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 คุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนอ์ธรรเนีมออีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดสักกราระใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวันเวลาการออกอากาศชีวิตวัฒนธรรมเดือนนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่วันเสราร์ตีสี่ถึงตีห้าค่ะตื่นกันหรื อ, อยังเอ่ย เอกี่เอกเอกแมถ้าที่ฉันนึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่บ้านนอกนะคะก็จะตีสี่ตีห้าเนี่ยได้ยินเสียงหนึ่งอย่างคือได้ยินเสียงไก่ขันไก่ก็จะขันเอกีเอกเอกนกก็มาแล้วค่ะมาปลุกบางทีเรายังไม่ได้อยากตื่นเลยนะคะมันก็มาเอกี่เอกเอกมาปลุกเราแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่ น้ำเต็มคลองก็จะได้ยินเสียงแม่ค้าภายเรือกุกกักกุกกักเตรียมไปค้าขายที่ตลาดน้าอัมพวากันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่น้ําแห้งขอดคลองก็จะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านที่เขาจะไปขายของเข็นเรือค่ะแล้วก็พูดคุยกันเข็นเรือนี่คือต้องถลกผ้าสินแล้วก็ ลุยลงไปในคลองที่มีแต่โคลนแล้วก็เข็นเรือนะคะเข็นไปบนโคลนแล้วก็ให้มันมาจอดตรงที่มีน้ำล้างเท้าเสร็จลงเรือแล้วจึงค่อยๆค้ำถ่อเรือเพราะว่าน้ำตื้นมากภายไม่ได้จนกว่าจะถึงที่ที่น้ำลึกพอจึงจะภายเรือต่อไปวิถีชีวิตแบบนี้นะคะคือ บ้านแถวอำพวาแม่กลองสมุทรสงครามเราจะได้ยินได้พบได้เห็นเป็นประจำพอตอนเย็นๆเขาก็จะเก็บพลูล้างพลูเรียงพลูสวยๆใสตะกร้าเอาไปตองคลุมแล้วที่เก็บพลูของเขาะจะมีเล็บค่ะเล็บพิเศษเป็นเหล็กเลยนะคะเหล็กดำๆค่ะเอามาสวมที่นิ้วโป้ง เพราะว่าจะใช้นิ้วธรรมดาเราเนี่ยเล็บของเราเนี่ยพอไปเก็บใบพลูบ่อยๆเข้ามันสู้ไม่ไหวนะคะ<ม>ก็ต้องใช้นิ้วเหล็กสวมปุ๊บลงไปก็จะเด็ดปลูได้สะดวกขึ้นเด็ดแล้วเขาไม่ได้โกยๆนะคะเขาจะซ้อนใบพลูถ้าเด็กๆนึกถึงใบพลูไม่ถนัดนะลูกให้นึกถึงใบชาพลูที่หนูกินกับเมี่ยงทั้งหลายก็ได้ใบ ทูก็จะรูปร่างคล้ายๆใบโพแต่จะมีกลิ่นหอมฉุนนะคะโบราณเขากินกระหมากนั่แหละคะ่ะ mm hmm. เขาจะเด็ดไปซ้อนไปเด็ดไปซ้อนไปกันเป็นตักสวยๆนะคะนําไปขายแล้วก็มีหมากหมากนี่ก็มีหน้าต่างๆทั้งหน้าอ่อนหน้ากลางๆหน้าเต็มหน้าแก่โอ้จากหมากสดก็ไปเป็นหมากแห้งหมากยับหมากยับนี่คือหมากที่มันหล่น สุกแดงหล่นร่วงลอยตามน้ําไปแต่ว่าสมัยที่ฉันเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยก็จะทําตะกร้อโพงยาวๆไว้ตักเจ้าหมากที่ตกร่วงลอยน้ําเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ไหหมักเอาไว้พอได้เยอะๆจะมีแม่ค้าเขามาขอซื้อหมักยับยอยยักษแม่นอากาศบอใบม้านี่แหละค่ะกลิ่นมันจะไม่หอมเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่น ของหมากคือผลไม้ที่หมักเอาไว้จนมันมีกลิ่นเนา่เนาๆเขาเอาไปทำอะไรหรือคะเขาก็จะปอกหมากเนี้ยออกเอาเปลือกทิ้งให้หมดเหลือแต่หมากข้างในซึ่งแก่จัดเอาไปฝานแล้วก็เอาไปผ่าทำเป็นหมากแห้งขายอีกสิ่งหนึ่งที่จะลอยคู่ขึ้นมาถ้าเราตื่นแล้วนอกจากเสียงที่ได้ยินทั้งหมดนี่นะคะก็จะมี ควันไฟลอยมาจากครัวของบ้านต่างๆถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็จะได้กลิ่นหอมของควันไฟด้วยแล้วกลิ่นนั้นมักจะมีกลิ่นของมะพร้าวลอยออกมาเพราะเขาก็จะใช้กะลามะพร้าวบ้างเปลือกมะพร้าวบ้างเป็นเชื้อไฟแล้วจึงจะไปก่อเตาไฟคุงหาอาหารกัน ชีวิต ส, สมัยก่อนนะคะไม่ได้สะดวกสบายกดปุ่มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบสมัยนี้น้ําก็ต้องตักจากคลองเอาขึ้นมาพักไว้ในตุ่มแกว่งสันส้มให้ใสแจ้วเพราะฉะนั้นเราจะตักน้ํากันตอนหัวน้ําขึ้นเพราะเชื่อว่าน้ําน่ะสะอาดใสนะคะน้ําลงนี่เราก็บอกว่ามันไปชําระโน่นนี่นั่นมาเยอะแล้วปล่อยให้มันไหลผ่านคลอง ไปลงแม่น้ำแล้วก็ลงทะเลไปแต่เราจะรอตักน้ำเมื่อหัวน้ำขึ้นตากกันโอ้ตัวเอียงเลยนะคะตั้งแต่กระแปงถึงปิ๊บแกงสารส้มพวกฝุ่นขุนๆทั้งหลายตะกอนทั้งหลายมันก็จะตกลงไปนอนก้นตุ่มเราจะได้น้ำใสแจ้วเอามาสำหรับ บริโภคในครัวเรือนแต่น้ำดื่มเราก็จะมีน้ำฝนใสๆดื่มกันแล้วถ้าเป็นบ้านใครมีมุงจากหลังคามุงจากเนี่ยน้ำฝนที่ไหลผ่านหลังคาจากจะออกสีเหลืองๆนิดนึง เพราะมันผ่านใบไม้แห้งแต่เขาก็จะปล่อยให้น้ำฝนเน่าชะจนหลังคาสะอาดจึงรองน้ำเอาไว้ดื่มมันจะหอมคล้ายๆกลิ่นชานะคะแต่มันคือกลิ่นของใบาจากนี่คือวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตถ้าจะถามหาวันนี้คงต้องขึ้นดอยแล้วล่ะค่ะเพราะในพื้นราบเนี่ยผู้คนก็จะใช้ไฟฟ้าจะใช้อุปกรณ์สมัยใหม่กันหมด แม้แต่บ้านที่ฉันเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าจะให้มาติดเตาก่อฟืนหุงข้าวดงข้าวเช็ดน้ำแบบสมัยก่อนเราไม่มีเวลาขนาดนั้นในเมืองใหญ่ๆเนี่ยการเดินทางที่เราจะต้องแข่งกับเวลาบางคนตื่นนอนแล้วเพื่อเตรียมออกไปทำงานดิฉันยังมีเวลาอยู่อีกสักนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงจะหาโอกาสมาจัดสด ยากนะคะเพราะว่าตีสีเนี่ยโอ้การเดินทางนะคะแต่ถ้าเป็นรายการเพลงนี่ไม่แน่นะคะอาจจะสู้ว่าอ้ามานจะสดุดโทรศัพท์มาขอเพลงคุยกันนะคะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปสำหรับผู้คนในสังคมทุกๆ ก, กลุ่มสังคมนะคะชีวิตวัฒนธรรมค่ะคือคำที่ดิฉันก็จะท่องไว้ในใจตั้งแต่ได้รับ โอกาสจากดรกุลกนิททองเงาและทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนะคะถึงวันเวลาการออกอากาศจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเดงก็นึกเสมอว่าอวันนี้มาทักทายต้นเดือนมิถุนายนเป็นวันแรกนะคะวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายน2562เราเจอกันตั้งแต่ตีสี ไก่อาจจะเริ่มขันเ อ, อ็กอีเอ็กเ อ, อ, อ็กที่บ้านที่ฉันนกก็เริ่มมาปลุกคุณฟังหลายท่านก็ยังทำมาหากินอยู่เช่นพี่ๆที่ขับแท็กซี่สาวโรงงานหนุ่มโรงงานหรือพี่วินทั้งหลายใช่ไหมคะก็ยังอดตลับขับตะนอนนะคะให้บริการส่งผู้คนให้เดินทางไปในที่ต่างๆอย่างปลอดภยัย คนที่มีอาชีพต่างๆกันก็จะต้องปรับวิถีชีวิตให้แตกต่างกันออกไปด้วยบางคนทำงานเป็นกะชาวบ้านเขานอนเราต้องทำงานชาวบ้านเขาทำงานเราจะต้องนอนมันทรมานเหมือนกันนะคะเพราะว่าร่างกายคนเราก็ไม่ใช่เครื่องจักรเพราะฉะนั้นเวลาจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งธรรมชาติให้มาแล้วเนี่ย มันลำบากมันทรมานพอสมควรจริงๆเพราะฉะนั้นเดนมาวันนี้วันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนนะคะกับเวลาใหม่วันใหม่ของชีวิตวัฒนธรรมทางเอฟเ5็มแปสบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้ก็มาเพื่อกำลังใจ แด่ทุกๆกท่านนะคะติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็แนะนำํำติชมรายการกันได้ทุกๆุกช่องทางของสถานีเราค่ะเดนก็ยินดีที่จะพัฒนารายการให้ถูก อ, อกถูกใจแฟนแฟนรายการอยากฟังเรื่องอะไรบอกมาได้นะคะจะค้นจะคว้าและหามาเล่าเดนจัดรายการช่วงหัวค่ํา ม, มาหลายปีตอนนี้มา จับตอนเช้ามืดรู้สึกสดชื่นนะคะเราก็จะรับอรณุณไปด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขค่ะท่านใดที่เพิ่งตื่นนอนก็เริ่มให้ตัวเองสดชื่นนะคะตื่นนอนปุ๊บคิดบวกเลยคะ่ะคิดให้ดีเราเป็นคนดีเราก็จะได้สิ่งดีๆนะคะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็บิดส้บิดขวาออกกำลังกายนิดหน่อยนะคะตำรับตำราที่คุณหมอ แพทผนไทยแพทย์แผนฝรั่งเขาแนะนำอะไรทำได้ทำกันเลยนะคะเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีค่ะวันนี้คุณะเนศควบคุมเสียงแล้วก็หาเพลงพร้อๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะดังนั้นขอเชิญรับฟังเพลงแรกจากคุณะเนศค่ะ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 ครชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอดธรรมเนียมอินมาพบกับท่านทางเ m 8เ5ปสบจหสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันใหม่ คือวันเสาร์เวลาใหม่คือตีสี่ถึงตีห้านะคะมีเรื่องราวของชีวิตวัฒนธรรมมาเล่ากันเยอะแยะมากมายนะคะชามืดชมึดเราก็จะฟังเรื่องเบาๆกันไปก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องหนักๆ น, กนี่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าว้ยไม่เอาจ้ะไม่เอาเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นนะคะเดนก็อยากจะ บอกข่าวดีบอกข่าวดีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายคนก็เฝ้ารอคอยมาทุกปีนั่นก็คือข่าวการแสดงโขนนะคะทุกปีเราจะเฝ้ารอคอยช่วงการแสดงใช่ไหมคะตอนนี้ดิฉันได้เห็นข่าวเข้ารับสมัครนักแสดงโขนรุ่นใหม่ค่ะ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับเยาวชนผู้มีใจรักการแสดงโขนที่จะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนนะคะมูนลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏประจำปี2562ค่ะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมันคา คำว่ามันคาคือมอม้ารหันคอควายสระอามันคาก็คือเส้นทางนะคะสืบมันคาซึ่งจะเปิดการแสดงช่วงวันที่2พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2562นี้นะ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตและนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงผู้สนใจทั่วไปด้วยร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนเพื่อร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเข้าเปิดมาแล้วนะคะจนถึงวัน ที่5มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะจัดการคัดเลือกณอาคารหอประชุมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยังมีเวลาสมัครกันอีก5วันค่ะผู้สนใจก็สามารถสมัครได้หลายทางเลยนะคะทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อยนะคะจานวน2ฉบับ ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้าขนาด5ถึง5คุณ7ค่ะ5คุณ7นิ้วจำนวนหนึ่งใบนะคะภาพถ่ายสีหน้าตรง2นิ้วแล้วก็ อ๋ออันนี้ก็หนึ่งใบเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีภาพสองขนาดขนาดแรกนี่ห้าูณเนิ้วหนึ่งใบแล้วก็หน้าตรงสองนิ้วอีกหนึ่งใบเป็นภาพสีทั้งคู่นะคะแล้วก็ต้องถ่ายไว้ไม่เกินหเดือนไม่สวมแว่นไม่ใส่หมวกนะคะมีหนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทยด้วยหนึ่งฉบับแล้วก็มีหนังสือรับรองสถานภาพและความประพฤติ จากสถานศึกษาหรือผู้ส่งคุณวุฒิหนึ่งฉบับส่งเอกสารการสมัครมายังกองงานความร่วมมือภายนอกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เลขที่173ถนนนครราชสีมาเขตดุสิตรกรุงเทพฯ10300ถวายนะคะทรงไปสมัครที่เลขที่173 ถ น, นนนครราชสีมาเขตดุสิตรกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามศูนศูนย์ค่ะสำนัก ง, งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนะคะในวันพุทธที่สิบสองมีนายนนี้ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะคะที่ศูนย์สองเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์ถึงสองศูนย์สอง เจ็ดแปดเจ็ดหกแปดสี่ศูนย์ถึงสองเขามีช่องทางทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็สมัครกันความภูมิใจครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะคะเดนเองไม่มีวาสนาไม่มีโอกาสได้ร่วมแสดงแต่ว่าช่วงที่มีการแสดงเนี่ยจะได้มีโอกาสอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมติดต่อกันหลายปีจะเห็นผู้ที่เขาได้รับ โอกาสดีๆเช่นเนี้ยสีหน้าทุกคนมีความสุขแต่งองค์ทรงเครื่องกันสวยหล่อกันเต็มศูนย์วัฒนธรรมแล้วผู้ปกครองที่มาชื่นชมยินดีกับบุตรหลานเนี่ยศีน้าทุกคนอิ่มเอิบนะคะนี่คือพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏค่ะซึ่งส่งพื้นฟูให้การแสดงโขน ได้กลับมาอยู่ในหัวใจคนไทยเชิงประจักษ์เสื้อผ้าอาพรตัดใหม่เย็บใหม่ปักใหม่หมดนะคะการแต่งหน้าก็โอโ้สวยงามแบบทันสมัยมากถ้าท่านนึกหน้าของนักแสดงโขนใหม่ใกล้ๆไม่ออกให้นึกถึงภาพวาดของอาจารย์จั ก, กรพันธ์โปรษยกฤตหน้าตัวละครโขนรุ่นใหม่จางงาม แบบนั้นเลยนะคะเชิญชวนนะคะไปสมัครเป็นนักแสดงโขนรุ่นใหม่กันค่ะคุณวังที่กรบคามีเรื่องราวดีดี ต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็อยากประชาสัมพันธ์อยากให้ทุกคนรักการอ่านหนังสือเมื่อก่อนประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนไปซื้อหนังสือเชิญชวนอ่านหนังสือเล่มนูน้นเล่มนี้เล่มนั้นและดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเอาเรื่องราวจากหนังสือมาบอกเล่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะเรื่องหลายเรื่องนะคะเราไม่สามารถที่จะ บอกเล่าเฉยๆให้หน่าซื้อถือได้อ่านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดนจะมีหนังสืออยู่เยอะข่าวดีต่อไปนี้นะคะคือชอบหนังสือช่วยชาติซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีได้โอ้โหเป็นข่าวดีสำหรับคนรักการอ่านเลยนะคะ เขามีการขานรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านชอปหนังสือช่วยชาติกันนะคะโดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการบุรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้แถลงมาตรการภาษีส่งเสริมการอ่านหนังสือชอปช่วยชาติว่ารัฐบาลได้มีการออกมาตรการ ภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562นะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านมาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปีค่ะ นักอ่านก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือบิลค่าหนังสือและค่าบริการอ e ีบุ๊กนะคะทุกประเภทเลยตามที่จ่ายจริงไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองโดยลดหย่อนได้ไม่เกินห5 0่0ห้าพันบาทนะคะค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือครั้งนี้สามารถนำมาคิด รวมกับค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่1ถึง16มกราคม2562ตามมาตรการช้อปช่วยชาติแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ มาต ร, รการนี้นะคะก็เป็นมาต ร, รการส่งเสริมศักยภาพของประชากรในทุกช่งวงวัยเลยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศและจาเป็นต้องกำหนดมาต ร, รการภาษีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านและการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหนังสือค่ะรวมไปถึงสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ในวงการหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดรวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบ e-books ด้วยนะคะโอ้เป็นข่าวดีมากๆสำหรับดิฉันนะคะเพราะว่าทุกปีทุกปีก็ได้จ่ายเงินกับเรื่องราวตรงนี้โดยไม่ได้คิดว่ามันคือการลงทุนแต่ดิฉันคิดว่านี่คือกำไรชีวิตแล้วก็ ซื้อเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆให้คนที่เรารักเสมอมานะคะเรามีความรู้สึกว่าการให้หนังสือเนี่ยคือการให้ปัญญาให้เพื่อนให้โอกาสและให้ช่องทางต่างๆใครจะทราบนะคะว่าประโยคเดียวในหนังสืออาจจะพลิกชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นก็ได้เมื่อก่อนเราดูหนังนะคะบอกอุ้ยนิยายนำเน่าเป็นไปได้ยังไง แม่กาลังตกงานไม่มีเงินใช้เลยแต่ไปซื้อกล้วยแขกมาเห็นถุงกระดาษตกอยู่เอามาอ่านปุ๊บได้เงินปั๊บเอามาอ่านปุ๊บได้เจอคนที่ห่างหายไปนั่นแหละค่ะประโยชน์ของการอ่านที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากๆเพราะฉะนัน้นเชิญอ่านหนังสือนะคะซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีได้โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณวังคะฟั่งเรื่องดีๆติดต่อกัน2เรื่องแล้วคุณเทนนี ส่งสายตายิ้มหวานมาให้ว่าพักฟังเพลงกับผมอีกสักเพลงเถอะครับเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังเพลงเพราะเพราะช่วงนี้ค่ะฝากรักเอาไว้ในเพลงสักคำ ให้เธอจดจำเอาไว้เพื่อจะได้คอยเตือนหัวใจว่าเราเคยได้รักกันถ้อยคำที่ฉันได้มอบกับเธอขอให้ใจไฟ่้ะม ความสัมพันธ์คำรักนั้นอย่าลืมฟังเธอฟังเอาไว้เมื่อเราห่างไกลเพลงจะได้คอยเตือนเมื่อยามเงาไม่มีเพื่อนจะได้คอยเตือน เหมือนฉันอยู่ใกล้เธอฝากรักเอาไว้ในเพลงให้จำหัวใจฉันจะทำก็เพราะเธอพูกใจมันฝันละเมอ ฉันไม่เคยคิดรู้แต่บัดนี้เธอมาสถิตมาอยู่ใกล้ชิดในดวงใจฉันเธอมาจากไหนจากดินพื้นใดหรือจากสวรรค์ฉัน ก็จะรักรักเธอเท่ากันไม่เคยจะวันแม้คำนินทาคนเดียวเท่านั้นในชีวิตคนเดียวสนิทแนบบุราคนเดียวที่ฉันบูชา ปราถนาคนเดียวในโลกเธอมาจากไหนเธอจะเป็นใครฉันถือเป็นโชคแม้รัอแถลวฉันต้องเศร้าสงเป็นคนโชคร้ายในโลกก็ยอม นในชีวิตคนเดียวสนิทนแนบอุราคนเดียวที่ฉันบูชาที่ปรารถนาคนเดียวในโลกเธอมาจากไหนเธอจะเป็นใคร คือเป็นโชครักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศกเป็นคนโชคร้ายในโลกกย็ยอม การชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยสถานสุขภาพและความงามราชมงคลทั ญ, ญบุรีให้บริการตรวจรักษาฟื้นฟูดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยมีมาตรฐานสอบถามรายละเอียดโทร02 592 1999 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยพร้อมจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพคุณผู้ฟักที่เคารพขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทาง FM 8เอสสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัย เทคโนโลยีราชมงคลเทียนบุรีค่ะดิฉันพนรรมเนียมอินตื่นมาปลุกคนนะคะตีสี่ถึงตีห้าเป็นเวลาใหม่ของวันเสาร์นะคะเพราะว่าช่วงที่เคยจัดเนี่ยจะกลายเป็นช่วงที่เราจะต้องถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามระเบียบของกสท ช, ทชนะคะเราก็จะได้ทราบข่าวคราวทั่วไป จากช่องทางต่างๆที่กว้างขวางยิ่งขึ้นคุณผูังคาช่วงนี้วันหยุดสามวันวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์มรืนนี้วันจันยังมีเวลาที่จะคิดไปเที่ยวกันวางแผนการท่องเที่ยวกันด้ อ, อย่างคะหรือท่านอ๋อมาแล้วตอนนี้อยู่นั่นอยู่นี่อยู่น่นนะคะช่วงนี้ฤดูฝนฝนตกอาจจะเดินทางไม่สะดวกแต่ช่วงที่ฝนตกเป็นช่วงที่มีน้าตามน้าตก และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นลำธารเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกกันได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำขังอยู่บนยอดภูเขาแล้วอาจจะทะลักลงมาได้เพราะฉะนั้นไปเที่ยวน้ำตกนะคะก็ต้องฟังการประกาศเตือนจากเจ้าหน้าที่และโปรดอย่าดื้อ น, นะคะเมื่อเขาประกาศอะไรต้องรีบปฏิบัติตามทันทีเพื่อความปลอดภัยและความ สนุกของทุกทุกท่านค่ะในขณะที่พอไปเที่ยวทะเลตอนนี้นะคะก็จะต้องระวังเจ้าแมงกระพุนค่ะเพราะว่าเมื่อฝนมาเนี่ยเจ้าแมงกระพุนมันก็จะเข้าหาฟังเยอะขึ้นแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มันออกไข่ออกลูกตัวเล็กๆลอยน้ำมาซึ่ง เรามองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าโดนมันเนี่ยโอ้คันได้แล้วถ้าไปเจอแม่งกระพุนไฟก็มีพิษเร mm hmm. ื่องราวเหล่านี้นะคะเราบอกกล่าวกันเพื่อการท่องเที่ยวจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นและดิฉันก็ได้เห็นข่าวของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเขาก็จะมีการจัดกองทุนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยจะ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสำนัก ง, งานประกันภัยร่วมศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติวังตั้งเป็นกองทุนจัดสรรเงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุ้มครองประกันภัยค่ะนี่คือพาดหัวข่าวนะคะ รายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคนชอบท่องเที่ยวมีเยอะดิฉันก็จะอ่านให้ฟังนะคะนายโชติตราชู ป, ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าขณะนี้นะคะได้มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรสวนสนัก ง, งานประกันไทยเพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อนาเงินไรายได้มาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ในการคุ้มครองประกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเราค่ะคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณสักหกเดือนเพื่อกำหนดให้ชัดเจนนะคะว่าจะเก็บภาษีท่องเที่ยวในอัตราเท่าไหร่จะเก็บจากที่ไหนซึ่ง เบื้องต้นนะคะอัตร า, าภาษีจะไม่สูงเกินไปเพราะมันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้นะคะโดยเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีก็จะจัดตั้งเป็นกองทุนแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารกําหนดขอบเขตการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะนําไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นํารายได้บางส่วนไปใช้ปรับปรุง ถนนที่เชื่อมต่อในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองประกันภัยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ต้องรับภา ร, ระค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุและการเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับนักท่องเที่ยวปีละประมาณสามร้อยล้านบาทเยอะนะคะสามรอยล้านบาท รวมทั้งยังมีแผนศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่สำคัญเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยก็เป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะคุณวังคะเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดน ไม่ได้เอาข่าวมานำเสนอคุณผู้ฟังนะคะแต่ไปเห็นภาพย้อนหลังแล้วดิฉันชอบใจมากเลยลายท่านคงจะได้ร่วมกิจกรรมนะคะในวันอนุรักษ์ควายไทย14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโอ้เคมีการประกวดควายหล่อควายสวยกันเยอะแยะมากมายแล้วก็โอ้แต่ละตัวนะคะตามันแจมแจ้วแปแวแววน่ารักมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ ร่วมือกันนะคะควายไทยเนี่ยอยู่คู่กับพวกเรามานานมากทุยจ้านะคะโอจะมีเพลงต่างๆเกี่ยวกับพี่ทุยควายต่างๆเนี่ยเยอะแย ะ, ยะมากมายแล้วเราก็จะมีบทท่องนกเอี่ยงเอย้ยมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี่ยงหัวโต ต้นโพมันร้องยิงยิงเกาะต้นทิ้งเขาก็ยิงกันมาเกาะต้นค่ะเขาก็ด่าแม่ให้เกาะต้นตะข่ายเขาจับใส่หม้อแก้งอันนี้เป็นบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นซึ่งถามว่าวันนี้มีใครได้ยินบ้างเงยียบ <c oughs> คงจะมีคนได้ยินบทร้องเล่นน้อยลงน้อยลงนอกจากเวทีที่เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านเดงก็เลยนึกอ้วันอนุรักษ์ควายไทยมันก็จะคู่กับเจ้านกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่ามีคนบอกว่านกเอี้ยงมันเป็น คู่ทุกขุยยากของพี่ควายแต่จริงๆแล้วที่นกเอี้ยงมันไปกระโดดยองแยงยองแยงเกาะควายนั่นนะ่าให้ดาวขาดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต อ, ตกตอมันไปทําอะไรเอ่ยมันไปกินแมลงที่อยู่บนตัวควายนั่นเองอันนี้คือคําตอบนะคะแต่ว่าบทร้องที่ดิฉันท่องให้คุณนู้งฟังฟังเนี่ยเออบางท้องที่ก็อาจจะท่องเคลื่นเคลื่อนกันไปสมัยก่อนเนี่ยการ เขาเรียกว่าอะไรดีคะการลเล่นเด็กไทยนะคะเอเครื่องไม้เครื่องมือที่เด็กๆจะเพลิดเพลินจำเริญใจนะมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่เขาเลี้ยงลูกหลานเขาก็จะหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับลูกหลานด้วยการทั้งหาการลเล่นแบบไทยๆแล้วก็มีบทร้องบทท่องเด็กๆสมัยก่อนก็จะท่องแข่งกันนะคะโอ้ยส่งเสียงดังเลยซึ่ง บทร้องที่เดียนท่องให้คุณฟังฟังเมื่อสักครู่จะสังเกตว่ามันมีจุดสัมผัสส่งสัมผัสกันแต่ไม่ถึงกับเป็นรูปแบบรอยกรองที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นกรอนสี่กรอนหกกรอนแปดหรือกาบเป็นบทร้องที่อาจจะส่งสัมผัสนิดนิดหน่อยๆน่อยมีคำคล้องจองกันแต่ในนั้นน่ะบอกวิถีชีวิต มันเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะจับนกเอี้ยงมาใส่มอแกงแต่ว่าเขาให้มันคล้องจองสัมผัสเด็กๆฟังแล้วก็จินตนาการไปนะคะมันก็เป็นความสุขนะคะทีนี้กลับมาดูควายกันบ้างบางคนเนี่ยเขาเรียกพี่ทุยเพราะว่าช่วยเขาทานากันมานานยกเว้นสมัยนี้เป็นควายเหล็กกันหมดปักปกปก ป, กปกนะคะ ควายเป็นสัตว์ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่ว่าทุกวันเนี้ยก็มีคนเลี้ยงควายน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงนะคะทําให้จํานวนควายไทยเนี่ยเหลือ น, น้อยมากๆก็เลยมีกิจกรรมสําคัญที่จัดเป็นงานอนุรักษ์ควายไทยขึ้นในวันที่ 14พฤษภาคมของทุกปีนะคะในปีที่ผ่านมาปีนี้ 2,562 เราจะเห็นข่าวการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยลายที่เลยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะโอ้เห็นเป็นรูปธ ร, รรมสวยงามหล่อนเหลาเยอะมากเลยก็คือ คณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสา ร, รคามร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสา ร, รคามอ่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะเช่นเครือข่ายคนรักควายมหาสา ร, รคามและเครือข่ายคนรักควายภาคอีสานจัดโครงการวันอนุรักษ์ควายไทยมหาวิทยาลัยมหาสา ร, รคาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้มีการเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงควายไทยอย่างยั่งยืนที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาส า, ารคามนะคะโอ้แล้วเขามีการประกวดควายกันได้รางวัลกันเยอะแยะมากมายพอควายตัวไหนรูปหลอ่อสุขภาพดีแข็งแรงโอ้โหบุคลิกเด่นเนี่ยมีการซื้อขายกันเป็นล้านเลยนะคะบางตัวนี่เป็นหลายล้านก็มีเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้ควายไทยก็มีปริมาณลดลงมากๆนะคะจากปี2548ที่มีมากถึง 1.6 ล้านตัวเนี่ยปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง7แสนตัว อาจจะเนื่องมาจากประชาชนมีความต้องการบริโภคเนื้อโคมากกว่าบางคนเขาไม่กินควายเขาบอกว่าช่วยเขาทำนานะคะก็เลยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตควายไปทั้งการเลี้ยงเป็นอาหารแล้วก็การใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานควายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นควายไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่เด็กเอก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีแหละท่านใดตอบได้โปรดช่วยตอบด้วยนะคะทาไมควายมันอ้วนออวน อยู่ที่ไหนมันก็มองตาเป้าชอบอยู่ในโคลนปลักควายแต่ว่าเจ้าวัวเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันทำไมมัน้อมผอมทั้งทั้งที่มันก็มียากกินเหมือนกันเออเนาะจะบอกว่าธรรมชาติลำเอียงก็ไม่น่าจะใช่นะคะแต่ว่าแปลกใจจริงๆค่ะ ท่านใดมีคำตอบบอกเล่ากันมาบ้างนะคะที่รายการชีวิตวัฒนธรรมสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเอ8เอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้นะคะคุณผังคะตอนนี้ก็ใกล้รุ่งแล้วคะ่ะใกล้เจ็ดตีห้าและเดนว่าหลายท้องที่ฟ้าสางแล้วนี่ถ้าที่ฉันไปยืนเที่ยวทะเลป่านี้เดนก็คงจะ วิ่งออกไปชายทะเลแล้วละ่ะไปดปไปูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้าอยู่บนภูเขาก็มีบางที่ใช่ไหมคะที่เวลาเขาประกาศอพระอาทิตย์ขึ้นเวลานั้นเวลานี้คนก็จะวิ่งไปส่องกันุนยอดเขานึกถึงตอนไปเที่ยวภูกระดึงค่ะตื่นตีสี่อย่างนี้แหละนะคะแล้วก็เดินบุกป่าฝ่าภูเขากันไปเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น แล้วก็พอตกตอนเย็นก็วิ่งไปอีกทิศหนึ่งเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ตกช่วงชีวิตที่มีคุณค่ามันมีทุกช่วงวัยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้สูงวัยหรือเป็นวัยชาราทุกช่วงชีวิตมีคุณค่าเช่นเดียวกันแต่เราจะใช้ช่วงชีวิตให้คุ้มค่าได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการคิดดีคิดบวกนะคะเราสามารถทำให้ทุกชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรามีความสุขได้เดนอยากจะส่งท้ายรายการในวันนี้ที่เราเจอกันเ้า์ที่หนึ่งมิถุนายนจากบทร้อยกรองของพระเทพโสพลมองโลกในแง่ดีเต็ไมไปด้วยความหวังความใฝ่ฝันหัดมองดอกไม้สวย ท้องฟ้าสดใสทะเลกว้างไกลเพื่อให้มีจิตเป็นสีชมพูอันนี้ที่ฉันอ่านจากหนังสือของคุณอ้อมประนอมชื่อหนังสือดอกไม้ในรอยยิ้มนะคะแต่บทร้อยกรองที่จะอ่านต่อไปนี้เป็นของพระเทพโสพลท่านเขียนไว้ว่ามองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธา ตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีบวุ่นวายแท้แน่เอ่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองโลกแง่ดีมองคนในแง่ดีมองธรรมชาติให้สวยงามแล้วก็ผูกมิตรกับทุกคนนะคะการที่เรายิ้มให้กันเป็น มิตรไมตรีที่มีความสุขแต่ถ้าเราหน้าบึง้งหน้างงใส่กันจะอยากมองหน้ากันไปทำไรนะคะเพราะฉะนั้นภาพของคนไทยคือคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีมิตรไมตรีและน่ารักช่วยกันทำภาพนั้นให้คืนกลับมานะคะเพราะคนไทยยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ชีวิตวัฒนธรรมที่ไทยเทวัฒนธรรมอย่างไหลกระโดด ภาพมาจากทัวโลกนี่แหละมันก็เลยทําให้อะไรอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปและวันนี้หนึ่งมิถุนานยนแล้วใครที่เลิกสูบบุหรี่แล้วยกมือค่ะโอ้โหขอปรบมือเป็นกําลังใจให้เลยนะคะบางคนบอกว่าเมื่อวานวันงดสูบบุหรี่โลกวันนี้ฉันไม่สูบบุหรี่แล้วเพื่อตัวเอง เพื่อคนที่เรารักและเพื่อจุดๆเยอะแยะมากมายไปหมดให้มีเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเยอะเลยนะคะเราต้องต่อสู้กับความทรมานแน่ๆดิฉันเห็นคนที่เขาหักดิบเลิกสุ บ, บุรี่กันมาแล้วแต่ด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจดีเลิกได้จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยไม่ว่าใครจะเอาหนังสือโอ้โหนั่นนี่นู่นมาให้บอกเขาโม้แต่พอเขาเลิกบุรี่ได้จริงๆ เขาก็หันมาพูดให้ดิฉันได้ยินชัดเจนกับคนอื่นๆด้วยว่าเลิกบุหรี่แล้วเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆค่ะอาล่ะค่ะวันนี้ชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนธรรทําเนียมอินคงต้องอำลาไปก่อนนะคะแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วขอบา ร, รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ช่วยคุ้มครองแล้วก็ดลบดาลให้ท่านมีชีวิตที่ดีมีสุขและปลอดภัยทั้งกายและใจนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนดทำเนียมอินดำเนินรายการเช้านี้คุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันด็อเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเหงาควบคุมรายการเราสามคนจะกลับมาพบกับท่านในโอกาสต่ตอไปสาหรับวันนี้มีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจด To create love, a bond เกิดความรักผุดขึ้นที่กลา ให้เกิดความรักผุดขึ้นที่กลางว่างห่ไกพอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจยอดทิษสมัยยอดรักอาไรโอจอมวันชีวิต คิดถึงเธอตั้งแต่หัวคำจนสายต า, าด้วยเกิดความรักทุดขึ้นที่กลางว่างฤดีใจ ทวทนารายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmutt.radio หรือทาง l ลาย official @rmutt.radio